สติปัญญาขั้นพิจารณารูปอาการนี้ผ่าทผลมากผิดธรรมดาของความเพียรภาคตัวทั่วไปแต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นงานหยาบที่จำต้องใช้สติปัญญาอันผ่าทผลไปตามๆกันเช่นเดียวกับท่อนไม้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จำต้องทำเช่นนั้นสติปัญญาที่ทำการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นขันหยาบ ก, ก็จำต้องดำเนินไปตามความเหมาะสมของงานเมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันนี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเอง เช่นเดียวกับไม้ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถ่า ก, การฟังการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้นส่วนนามขันได้ แ, แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นเป็นขันละเอียดการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดเป็นตามๆกันสติปัญญาที่พิจารณาขันทั้งสีนี้ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุ ข, ขุมราวกับน้ำบนํำซับน้ําซึมนั่นแหลแต่การพิจารณาขันทั้งสี่นี้ พิจารณาลงในไตรลักษณ์ล้วนจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของการพิจารณาไม่มีคําว่าอาสุภะอาสุพังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันยักษ์การพิจารณาขันสี่นี้จะพิจารณาขันใดก็ได้ตามแต่ถนัดเช่นทุกขเวทนาขันเป็นต้นประสาน ก, นกันกับกายกับจิตกับทุกขเวทนาโดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงรูปลักษณะอาการความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสามอย่างนี้ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างแยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆอย่าสากแต่พิจารณาพอผ่า น, านไปนั่นเป็นลักษณะของกิเลสทางงานเอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเปล่าต่างหาซึ่งไม่ใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงดําเนินจะไม่เห็นความจริงแต่อย่างใดต้องพิจารณาแบบสติธรรมปัญญาธรรมจนเป็นที่เข้าใจตามความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนอันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้นอย่าอยากอย่าอยาก อยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่มสมุทัยตัวผลิตทุกมากขึ้นเท่านั้นแต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกเวทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้นนั่นคือความอยากอันเป็นมักทางเหยียบย่ำกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดผลคือการเห็นแจ้งตามความจริงของกายเวทนาจิตที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไรความเพียรพยายามทุกด้านยิ่งมีกาลังมากเท่านั้น ฉะนั้นจงสนใจเฉพาะความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้อย่างเดียวและผลักความอยากให้ทุกข์หายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้นทันทีทันทีย้ายห้โผล่หน้าขึ้นมากรีดกวางได้จะมาทําลายความอยากประเภทมากเพื่อผลให้จมหายไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลัวตายความอ่อนเปียกเรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุ่ไทยทั้งมวลเข้าทางานในวงความเพียรจึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้ เกรงจะเสียท่าให้มันเพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมันนักปฏิบัติจิตตะภาวนาเท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัยการพิจารณาทุกเวทนาในขันมีรูปขันเป็นสำคัญจงอยากคำนึงความเจ็บปวดรวดร้าวจะหายตัวจะเป็นจะตายยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกาย จากเวทนาจากกิจซึ่งพร้อมจะแสดงความยิงให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านครบเพื่อเรียนจบอริยสัจ ร, รู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้วอันความกลัวเป็นกลัวตายความอยากให้ทุกข์หายในเวลานั้นนั่นคือแม่ทัพใหญ่ของสกุลกิเลสจะคอยทำลายบันลังแห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่าจงพากันทราบไวท้ทุกๆองค์อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปาคอก จะออกกีดขวางต้านทานทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องใดโอกาสกรุณาทราบไว้ด้วยว่ากิเลสทุกประเภทไม่เผอเรออ่อนแอท้อแท้เลีวไร้เสื้อส่าเสื้อส ะ, ส ะ, สะเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยาส่วนใจปล่อยให้กิเลสชุดลากไปทะลุงหูงต้มกินเลี้ยงกันอย่างอริดอร่อยพุงมันนะดังนั้นในเวลาที่เข้าวได้ข่าเข็มระว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อย เพื่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนเติ่วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กําลังคลุกคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถีท่วนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกจะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดใทั้งสิ้นในขณะนั้น จงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายดังนั้นในเวลาที่เขาได้เขาเข็มระหว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กันเพื่อหาความจริงจงขยับสติปัญญาเพื่อต่อสู้ท่าเดียวคือสติปัญญาหมุนติลเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกายสติจดจอ่อปัญญาคลี่คลายเวทนากายใจที่กาลังคุกเคล้ากันอยู่ว่าทั้งสามนี้ เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันแยกแยะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนย้อนหน้าย้อนหลังตบทบทวนในระหว่างกายเวทนาจิตด้วยสติปัญญาอย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตายตลอดสถานที่เวลาเวลาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตอย่างเดียวสติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบันจดจ่อต่องานอย่างใกล้ชิดติดพันอย่าหันเหอย่าคาดคะเน อย่าด้นอย่าเดาทั้งสมุทยัยทุกทั้งมากณีโรดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทั้งนี้ล้นเปิดช่องให้สมุทัยทํางานของมันในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติจงระวังให้มากเพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตัวอยู่เสมอไม่เผลอให้มันขณะเดียวกันก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้วจงพิจารณาแบบตลุมบอล ใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียงของสัจธรรมวิมุติธรรมใครไม่ดีจงพังไปแต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพียรพังก็แล้วกันต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียวถ้าอื่นไม่ถูกไม่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือนนักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียวการพิจารณาทุกเวทนาในกายประสานกันกับอิตแยกแยกทั้งสามอยา่างนี้ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยัง้ง ย่อมจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างชัดเจนหายสงสัยและได้ชัยชนะเป็นพักๆตอนๆได้ความอาจฐานในทุกขเวทนาตลอดความลม้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับกายเวทนาจิตและหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจำพอความจริงเข้าถึงกันแล้วต่างอันก็ต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิต ต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกันแม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่งจะตื่นให้กิเลสหัวเราะทำไมเมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของกายเวทนาจิตประจักษ์ใจแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น 2. แม้ทุกเวทนาไม่ดับก็ไม่ประสากนกันกับจิตดังที่เคยเป็นมา 3. จิตสงบตัวอย่างละเอียดละอ่อและอัศจรรย์เกินคาดสี่ จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหาขณะจิตสงบเต็มที่กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง 6. ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้วแต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศเป็นเพียงรู้อยู่ด้วยความรอบตัวร่างกายก็สักแต่ปรากฏว่ามีแต่ไม่ประสานกันกันกบกจิตนี่คือผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมา เป็นดังนี้ในวงปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากชมจงปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาที่เคยได้อ่านในหนังสือซึ่งท่านอธิบายไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัยนี่คือวิธีการพิจารณาทุกเวทนาเวลาเกิดขึ้นกับร่างกายจงพิจารณาอย่างนี้จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นในนามขันหรือนามธรรมทั้งสามคือสัญญาสังขารและปัญญา เวลาพิจารณาก็เกี่ยวโยงกับกายเหมือนกันในบางการณีข้อนี้ยกให้เป็นข้อคิดข้อพิจารณาของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้และปฏิบัติต่อตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเพราะนามาขันทั้งสามนี้ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลังจากจิตหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวางรูปขันเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันการพิจารณาจําต้องประสานถึงรูปขันอย่างแยกไม่ออก แต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่และเป็นกิจจาเป็นของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยเฉพาะเป็นรายรายไปหากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันทั้งหลายหรือจะพิจารณาขันใดในการเช่นไรโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเข้าใจในการพิจารณาขันห้าให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวักเป็นตอนไปการพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวงรูปขันเท่านั้นรูปขันนี้พิสดารอยู่มากการพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด สุดแต่ถนัดต่อการพิจารณาจะแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกเป็นชิ้นเป็นอันจากคำว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้จะพิจารณาเป็นอสุภะสิ่งปฏิกูลโศโครกหมดทั้งร่างก็ได้จะพิจารณาไปทางไตร ล, ลักษณ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือทั้งสามไตร ล, ลักษณ์ก็ได้จนจิตมีความชำนิชํานาญทั้งภาคอสุภะและภาคไตร ล, ลักษณ์จนหาที่ติด ท, ที่ค้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเองเมื่อจิตปล่อยวางรูปขันแล้วจิตจะหมุนเข้าสู่นามาขันทั้งสาม คือสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไปไม่มีคําว่าทอ้อถอยลดละเลยสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วเรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปอาการคล่องตัวอยู่แล้วจนถึงขั้นปล่อยวางเมื่อก้าวเข้าสู่สัญญาสังขารวิญญาณจึงคล่อง ต, ตัวต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุมไม่มีคําว่าอื่นอาดเหนื่ยนายดังที่เคยเป็นมา นอกจากต้องรังเอาไว้ไม่เห็นว่าจยากเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไปไม่ยอมพักตัวในเรือนคืนสมาธิที่เคยเห็นในตํารา ว, ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นจะปรากฏกับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติที่หมุนตัวไปกับการพิจารณาเม่หยุดหย่อนผ่อนคลายในการทํางานไปเองไม่ต้องถามใครนับแต่ขั้นรู้เห็นอสุภะเด่นชัดด้วยการพิจารณาเรื่อยมาความขี้เกียจความท้อแทะอ่อนแอความอิจฉาราจายหายหน้าไปหมด ไม่ปรากฏในจิต ด, ดวงนั้นเลยด้วยเหตุนี้และจึงทําให้รู้ประจักษ์ใจว่าอันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้นมันเป็นสกุลกิเลสทั้งมวลเป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออกพอถูกตปะธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นเผาผลาญให้พินาศไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีในจิตใจเลยมีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพียรทุกๆอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรทั้งสิน้น กิเลสเหล่านั้นไม่กล้ามาขัดขวางแม้จะยังมีอยู่ภายในใจก็าตามเพราะนภฟันจากุศลามันอยู่แล้วอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นการพิจารณานามขันทั้งสาของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรีงกยงไกรมาแต่รูปขันแล้วจึงคล่องตัวรวดเร็วไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้จิที่ปล่อยรูปขันแล้วยังต้องฝึกซ้อมสติปัญญาจากความคิดปรงุงภาพแห่งขันให้ปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไป จนรูปอาการที่ปรากฏขึ้นจากความปรุงดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบจากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆทั้งภายในภายนอกหมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีกมีแต่หมุนเข้าสู่นามธรรมทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามโดยถ่ายเดียวโดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเนื่องจากอาการทั้งสามนี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิตสังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิดระดับ เมื่อสติปัญญารู้เท่าทันสัญญาข้อดีสังขารข้อดีวิญญาณข้อดีจะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปปรากฏขึ้นแล้วดับไปไม่สืบต่อกับอะไรจิตขั้นพิจารณานามธรรมนี้เป็นจิตว่างจากสิ่งภายนอกทั้งปวงแต่ยังไม่ว่างจากจิตและนามธรรมทั้งสามนี้จึงต้องพิจารณาจุดนี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซ้ํา้ำักซจนจิตพอกับขันและอย่างเข้าสู่จิตล้วนอันเป็นเรือนรางของอวิชชาโดยเฉพาะ พิจารณาการในจุดนั้นกับนามขันประสานกันจนสติปัญญายเห็นความเหล้ยวไหลหลอกลวงของนามขันพร้อมทั้งจิตต์วิชชาประจักษ์ใจแล้วอวิชชาภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยอวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับส่วนขันอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชานั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชาแต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และเป็นขันล้วน ไม่มีกิเลสเข้าครองอํานาจเหมือนแต่ก่อนพระจิตบริสุท ธ, ธิร์รมบริสุทธิ์นั้นไม่บีบบังคับขันเหมือนกิเลสและไม่ยึดเหมือนกิเลสเพียงอาศัยขันเป็นเครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนี่คือการล้างฝ่าช้าความเกิดตายให้สิ้นซากประจักใจปราดท่านล้างอย่างนี้แลจงพากันจําไว้ให้ถึงใจและนําไปปฏิบัติให้ถึงธรรมจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวงนั่นแหลหายสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยประการทั้งปวง สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสส้น้างไปหมดแล้วปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แลดังนั้นจึงขอนิมนต์พระลูกพระหลานทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวด้วยธรรมกระเถอนโลกที่ปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บทนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์สั่งสอนอยู่ จะไม่เสียทีให้กิเลสชิ้นสลางๆอยู่ร่าไปดังที่เคยเป็นมาซึ่งหน้าทุเรศอานักหนาในสายตาของนักปราดผู้ฉลาดแหลมคมเนื้อกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพวกเราที่ถูกกิเลสกล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่มักเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นภัยว่าเป็นคุณเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นหาเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามอารามตาแช่มชื่นใจทําอะไรที่เป็นสารคุณจึงมากทําแบบสุขเอาเผากินแบบขอไปทีขอไปที ผลจึงลุ่มๆลมดอนหาความสมอำเสมอและหลักเกณฑ์ไม่ได้เรากับไม้ปักกองขี้ควายคอยแต่จะหกล้มก้นกราบหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจกิริยาใดๆแสดงออกมีแต่กิริยาอาการทำลายตัวเองทั้งนี้เพราะความเคยชินของนิสัยที่มันได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทางที่ถูกที่ดีเท่าที่ควรพระทั้งองค์คนทั้งคนจึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้ และเกลื่อนกลอยู่ในถ้ำกลางแห่งคนดีซึ่งมีจํานว น, นน้อยกว่าประเภทเศษฐินระหว่างแห่งพระดีพระแท้ด้วยสู่ปฏิบัติคนดีคนแท้ด้วยทานศีลภาวนาสัมมาคา ร, ระวะตับพระเศษพระเดนคนเศษคนเดนเราจะสมักทางไหนจงรีบตัดสินใจว่าจากการพิจารณาด้วยดีเสียแต่แบบนี้เวลาตายแล้วความดีงามที่พึงหวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าเหลืองที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมากุสลามาติกาปางสกุลอะไรนะ แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราฝึกเราให้มีกุศลธรรมคือความฉลาดเปลืองตนจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างหากจะว่าผมไม่บอกไม่เตือนนี่คือคําบอกคําเตือนท่านทั้งหลายโดยแท้จริงอย่างถึงใจเรื่อยมาไม่มีเพียงครั้งนี้หนเดียวจวงจดจําให้ถึงใจและปฏิบัติตามตลอดไปด้วยอัตาหิอัตโนนาโถพยายามทําตนให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนด้วยทําเครื่องดําเนินน่าสองทางจะไม่เป็นพระคือเนนครึกพระลาสมัยเนรลาสมัย คนครึกคนลาสมัยต่อความดีงามและมรฟนิพานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดสดร้อนด้วยพระเมตตาสุดๆไม่มีใครเสมอเหมือนผมเองก็นักวันแก่ลงการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไม่สะดวกพระเนนก็หนักวันหลังหลมาม า, มากเพื่อรับการอบรมสั่งสอนขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริงอย่านําความเลาะเละแหละมาสังหารตนและทําลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเสียไปทั้งเราและผู้อื่นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ไว้หน้าใครมันทําลายทั้งสิ้นคําว่าพระพระเนนเนนหรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรนั้นพึงทราบว่ากิเลสคือกิเลสที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัวไม่กลัวใครอยากเข้าใจว่ามันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิถวายการอุปถารักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบ ก, กวนในการประกอบความภาคภีของพระที่ตนเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลยจงทราบว่า แม้เราบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วแต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บนหัวคนหัวพระหัวเนรเรื่อยมาแต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลยฉะนั้นมันจึงไม่กลัวพระกลัวเนนและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นนายและเป็นข้าสึกของคนของสัตว์ของพระเนนเรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบกาจัดมันเสียแต่บัดนี้ให้ฉิบส์ให้ฉิบหายสิ้นซากประจากษใจการเทศวันนี้ก็เทศอย่างหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ภายในใจเลย ทั้งเหตุคือปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินก็เผ็ดร้อนหนักเบาประการใดที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อยอย่างละเอียดก็ได้ขุดคุ้ยมาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงไม่มีลีลัปิดบังไว้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นจงนำอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกขัดดัดสนานกิเลสตัวร้ายกาแสนพยศของแต่ละท่านอย่างเต็มกําลังความสามารถแต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสนานเอาเสียอย่างหมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกัน ข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนาไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสนดานมาแล้วจึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะนำมาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ขอจบเสียทีจงพากันสวัสดีมีชัยทั่วนากันจบเทศเท่านี้สมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จําได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งลุงปู่ขาวเกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่า ถามเอาตามความชอบใจของตนไม่ได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธ ก, การตามประวัติว่ามีผู้สําเร็จมรรคผลิพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโ น, น้นหากมีการสําเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จมรรคกัน แม้สาเร็จได้ก็าช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสําเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตําราว่าสําเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระเศเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบําเพ็ญโดยลําพังในที่ต่งต า, า, างๆก็ทราบว่าท่านสําเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทําแทบลม้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรเกิเหตุบ้างเลย อันเป็นสาเหตุให้ผู้บมเพ็นท้อใจและอ่อนแอต่อความเพี่ยนท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บมเพนล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายได้ทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีโฮมอุปนิสัยวาสนายิ่งหย่อนต่างกันหลวงปู่ขาวเรียนตอบว่า มีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลําบากทั้งสําเร็จได้ช้าและปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแน่จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนําถูกต้องแม่นยําผิดกันตลอดอํานาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากสําหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความอยากก ร, ระทบทรรึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกําลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกาย ส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียนไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียนด้วยวิธีนั้นดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทําความเพียนรอดตายไม่ได้รับผลเท่าวดาความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมอย่างพิททําลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากมิไดชตรงตามความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้น ครั้งข้อจนารที่ท่านทําความเพียรด้วยความจรงิงจังหวังพ้นทุกจรงิงจริงกับสมัยที่พวกเราทําเล่นเราเด็กกับตุ๊ ก, กตาจึงนํามาเทียบกันไม่ได้ถืนเทียบไปมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทําเล่นเล่นล้วนๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับคําพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสาระคุณอยู่บ้างท่านลองทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิ อย่าทําตามแบบที่กิเลสพาชุดล拉ไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกําลังเข้าใจว่าตนกําลังทำความเพียรอยู่มื่อคนนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคําว่ายากลาบากและสาเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทําความเพียรแบบกระดูกจรุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆ เ, เท่านิ้วมือไปเจาะถูกเขาทั้งโลก แต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นที่หน่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนๆพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสากยบุตรพุทธศสาวกในทรั้งพุทธกาท่านทํากันกับความเพียรของพวกเราที่ทําแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเรือประมางแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดู กิเลสเท่ามาหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปันมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่า ข, ของตัวให้นักปราชท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยระกรัรท่าปวนการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสดายเรี่ยวแรง แต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมคะบุรุษโมฆะสตรีผูดเตรียมสร้างป่าชาไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกไม่มีวันลดย่อนพ่อนวัตตะ ว, ว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร่คำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยสาสนาธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพฤตกาลแต่ตำหนิสาสนาธรรม ตำนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคําชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษโมฆาสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางได้หลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคําถามของคนสิ้นธาเป็นคําถามของคนผู้ตักน้ำกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคําถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เปลี่ยโลกพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจลปลกลึ่นตนจากกิเลสด้วยสวากาตธรรมอันเป็นมัธทิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สรรโลก ผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างไรเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื่องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกขับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกําเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็ ก, ล ก, ลกนๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมัน โรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิตโรคเขาโรคกลากโรคเลื่อนพอจะหายไปเองต้องรักษาด้วยยาคือทำในทางความเพียรตามแบบของสกากยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทาขันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จําต้องสงบละหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอบอาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผูหนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโรคสงสารได้ และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปรีชาสามารถทรงประกาศศาสนาธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยาในกระทำนำสารให้ข้ามพ้นได้จริงไม่สนิทีเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทําให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ติเตียนพระทำว่าไร้สมรรถภาพ หรือเรียวแหลมไม่สามารถแกกิเลส ข, ของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลส ข, ของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นกินเป็นส่วนมากมีพระาศาสดาเป็นพระพุทประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนทํามแกหมู่ชน การสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระไทยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีทําแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึง ม, มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นผลสําเร็จมากผลกันทีแล้วมาก จากการแสดงทำแต่ละครั้งของพระศาสดาและภาษาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสําเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนทําไม่ใช่ทำผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนทมก็คือทำอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจทํำทำก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนทำก็สักว่าทำไม่อาจยั่งประโยชน์ให้สําเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งกระไตรปิดกจึงเป็นเหมือนเทน้ําใสหลังหมามันสระตัดออกเลียงไม่มีเหลือ ทำจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามหลวงปู่ขาวว่าท่านเหล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงัวตมิต่ทำโดยถ่ายเดียวว่ามายังผลให้เกิดขึ้นแก่ต น, นเพื่อสำเร็จมาผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันทย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าทำจะมีที่ซึมซาบและสถิต อยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปเรากับลําคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ําดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะไม่ได้มาทําความลําบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ขอความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทํำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตัณฑ์ตีชมใครแก้สมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ถ้าไม่สนใจจมิติชมตัวเองภูกําลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เหลือร้อนอยู่เวลานี้อันเป็นการคลาดไฟราคาโทสามโอหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดทั่วสารทิศื่นบรรณาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้